นี่เมื่อข้อดีห้ากับข้อดีหกทั้ำจัดว่าเราจะระวังมือและเท้าเลยดีในขณะที่ไปนั่งหรือวไปหรือว่าไปนั่งในบ้านไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้านนีระวังย้เท้ามันโผล่มากใจมือมันโผล่มากอย่าทํามือเท้าเกะกะเวลาพวกยกไม้ยกมือทําเป็นท่าเป็นทางทํามือนี่เกะเลยจำอดมันไม่เป็นการสํารวมไม่น่าไหวไม่น่าเดิมไสไม่น่าบูชา นี่ฝ่าฝืนแปงบัตรทุกกฎนะข้อดีเจ็ดกับข้อดีแปดเราจะมีตาถอดลงขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านนี่จะทําตาเขามันป้อมองทางโน้นมองทางนี้ใส่ไปใส่มามันก็ตาเปรตเปรตขมอเปรตก็ต้องมองมองว่าใครเขาจะให้ส่วนบุญมั่งที่จะทําเป็นตาสุนัขไอ้ตาสุนัขมันต้องมองไกลๆ เพื่อใครเขาจะวางอะไรเผลอไว้เอากระดูกหมูกระดูกม้ากระดูกไฟของเขาทิ้งไว้ไหนยะได้วิ่งไปกินนี่เราทําตาแบบตาพระเท่าทอดตาลงพอสมควรือประมาณหนึ่งชั่วแอกเขาได้ประมาณสี่ซอกเป็นเรียกว่าตาพอสวยๆทอดตาแค่สี่ซอกได้ตาพอสวยไม่ก้มเกินไปไม่เงยเกินไปถ้าฝาฝืนก็ไปอําบัติทุกกฎ นีสิี่ขาบที่เก้ากับที่สิบท่านบอกว่าเราจะไม่เวิกผ้าเวลาไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้านถ้าลกผ้าก็มายังแขนออกถลกจีวรก็มาจะเอวขึ้นถ้าลกผ้านุ่งก็มายังเข่าโลอันนี้ไม่ได้ผ้าสสบงที่นุ่งพอดีพอดีขนุ่งกลางแข้งยาวหรือแท่กลางแข่งจีวรก็ไม่กันแต่ว่าจีวรมางที่มันใหญ่ๆมันก็รุมรามไปบ้างไม่เป็นไร ถ้าเย็บลอยให้มันรุ่มรามเกินไปที่ว่ามันยาวแล้วก็มันุ่งมันมันห่มมาถึงกลางแข้งไม่ได้มันเลยไปบ้างโดยไม่มีเจตนาชั่วไม่เป็นไรอันนี้่าไปเลิกหน้าเลิกหลังในบ้านนี่ท่านปรับธรรมบัตรทุกกฎให้มันเรียบร้อยสงบสเนียมพ้าใหมันดีไอ้เนื้อของเราที่มันเป็นศัตรูกับจิตใจของสตรีเหมือนกันจะไปก่อประโยชน์ให้เกิดราคะจริตจิตประกอบวิริกรรมารมณ์อันนี้ไม่สมควร นี่ข้อที่เบ็ดข้อที่สองเราจักไม่หัวเราะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านให้คําว่าไม่หวเราะเลยนี่น่ากลัวมันจะแย่นะอย่างนี้แปลบัตกันทุกคนเป็นอนุโมหหัวเราะก็หัวเราะพอดิบคนดีย้าเสียงดงังเอิ๊กเอิเอิ๊กดังกล้องไปอันนี้ไม่เป็นธรรมณะไม่ไม่จะเรียก ว, ว, ว่าไม่เป็นไม่สมควรกับสมณะวิสัย คำว่าสมณะพอสงบใจเพอระเบ้างก็ยิ้มยิ้มพอระเสียงดังพอนิทิดนหน่อยๆพอสมควรข้อที่สามและทีสีเราจากไม่พูดเสียงดังขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านเสียงดังเกินไปก็ขาดสมณะสายรูปขาดการเลื่อมใสในความจริงในเสียงดังนี่ควรจะระ ง, งับทั้งในวัดในบ้าน ถ้าในวัดถ้ส่งเสียงดังเกินไปแล้วก็จังไรกินบอกไม่ถูกตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในวัดนี่เขาต้องการสงบสงบัด <c oughs> วัดเป็นที่ศึกษาวัดมีแต่สมณนะมีแต่ผู้สงบถ้าปล่อยเสียงดังเออะวายมันก็ไม่ใช่สมณะแล้วมันเป็นสุนักมันเป็นสุนักขา่าสุนัขอน ไอ้เจ้าสุนัขมันจะเห่ามันจะหอนมันไม่ได้เกรงใจใครเราจงอย่าเอาสุนัขเป็นสเปนโคลที่เราใช้เสียงดังเกินไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขไม่ใช่พระไม่ใช่สมณนนะใช้เสียงได้พอดีพอควรเวลาคุยกันนั่งใกล้แค่ไหนพอฟังส บ, สบายสบายพอแล้วไม่ใช่ไปนั่งคุยกันอยู่นี่ขณะกรุติผมเฮติสลาโ่นเสียงดังเอ้าวจนสร้างความรำคาญ นี่พระในกลุ่งของเรามีคนในกลุ่มของเรา ม, คนน ม, รามีคนประเภทนี้พระประเภทนี้ผมว่าไม่ใช่พระไม่ได้ว่าเสียงนะ้่ไม่ใช่เสียงพระเนี่ยมันเป็นเสียงสุนัเขเห่าสุนัขคอนถ้าเสียงเป็นเสียงสุนัขแล้วก็ใจท่านคนนั้นก็เป็นใจสุนัขจะไปนั่งคุยกับพระได้ยังไง เป็นนั่งร่วมกับพระได้ยังไงในเมื่อใจของเราเป็นสุนัขเมื่อใจเป็นสุนัขกลายเป็นคนแต่ว่าจริยาณเขเป็นจิตญาสุนัขนี่ไปในบ้านทาำปรับไปอธรรมบัตถ้าอยู่ในวัดมันเป็นการสร้างลาคาญในแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเขาต้องการความสงบสงัดมันต้องอําบัรมอะไรบ้างแล้วมีโทษอะไรบ้างเราฟังกันมาแล้วนี่จุลธรรมบัตถเราฟับ <c oughs> บางทีอายุมากมาแล้วก็ไม่มีการสํารวมในวาจาไม่มีการสํารวมในเสียงไม่มีการสํารวมในจริยานี่เราจะเป็นพระกันได้ยังไงแล้วคนประเภทนี้มักจะไม่รู้ตัวว่าผิดคิดว่าตัวดีอยู่เส ม, มอนี่นรกเราไปกินสบายสบายข้อสิบห้าและสิบหกเราจากไม่ลงกายเวลาไปหรือว่านั่งอยู่ในบ้านีน่เวลา คุยกันโครงการไปโยกไ ป, ย ก, ป, ย, กปยกมาแล้วแต่งกายเป็นเป็นอาการสแสดงอาการพูดอาการตอบแล้วการปฏิเสธไออย่างนี้ก็ควรจะรวมเข้ากับการพยักหน้าด้วยผมเจอบ่อยๆแต่ไม่ใช่คณะของเราบางทีก็เป็นคาราวาสบ้างเป็นคาบบ้างเวลาพูดอะไรพยักหน้ารับไอจริยาแบบนี้น่ะมันเร็วแสนเร็วคนดีเขาไม่ปฏิบัติัน แต่คนนี้พูดกับเราอยู่ด้วยเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็แบบนี้เขาไม่รับไปในสธนักเขาไม่ครบ ด, ด้วยเห็นหน้าคราวเดียวก็ไม่อยากจะมองหน้าอีกเพราะอะไรพระเกรงว่าจะริยาแห่งความชั่วมันจะเข้ามาติดพระพุทธเจา้าจนบอกว่าสุนัขมันเนา่าเราเอาใบตองไปห่อสุนัขแต่ความจริงความเนา่ามันไม่ได้ไหลเข้าไปในใบตอง แต่ถ้าว่าไอกลิ่นเน่ามันติดใบตองมันพลอยเหม็นไปด้วยอนนี้อาการอย่างนี้ถ้าปรากฏมีขึ้นท่านทางหลายจงอยาคบหาสมาคมด้วยจะเป็นพระและเป็นครวญวก็ตามอย่าไปมั่วสมกับคนประเภทนี้ที่ไม่รู้จักว่าอะไรดีไม่ดีไม่รู้จักมันยตาที่ควรปฏิบัติสำหรับพระถ้าทำแบบนั่งในบ้านเป็นนาบัตรทุกกฎระวังนะ ทุกกดทำไม่กดเรื่อยๆแล้วก็งงไม่ขึ้นนะท่า น, นี้สำหรับข้อที่สิบเจ็ดละสิบแปดเราจากไม่ไกวแขนขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านไอ้ไกวแขนเดียวยาวนี่มาปีก่อนโน้นด้ยพระวัดเรานี่มีสระองค์เดินทำท่าน้นยน่าไกวแขนน่ยังนี้ไม่สมควรอย่าไปทำอย่างนั้นเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสม จะไกวแขก็ไกวพอเหมะพอดีกับกิริยาที่เดินอย่าทำเป็นท่าในเกรงไอไกวแขนในท่าจะชูก็มีทำท่าไกวแขนั้นมันสวยพระมีอย่างเดียวคือความสงบส ง, บสงบัดข้อที่สิบเก้าและยี่สิบเราจะไม่สันศริรษะไม่ว่าไปหรือว่านั่งอยู่ในบ้านไปในบ้านนั่งในบ้านถ้าพูดอะไรก็พูดจะปริเสธก็บริเสตไดยฝากไอสันทิสะในเป็นกิริยาที่ไม่สมควร เป็นกิริยาของคนเลวถ้าเป็นาราวาสตัวเลวไม่ใช่คนดีอาการอย่างนี้เป็นอาการสแสดงไม่เคารพใจเจ้าของถิง่นนี่พระ ด, ด้วยกันก็จงอย่สันทิสสะถ้าสันทิศสะกับผมเข้าแล้วก็ระวังผมไม่ตีท่านไม่ได่าท่านนะผมจะไล่ออกไปข้างนอกไม่ให้อยู่ด้วยเพราะอะไรจริยาเลวเ็วแบบนี้ยังทำนี่แค่เล็กน้อย ไอ้จริยญาเร็วแบบหนักมันก็ทำด้วยเป็นการไม่เราพวะในการอะกันเอาไว้ได้เลยไม่ได้ขอด้อที่ยี่สิบเอ็กับยี่สิบสองเราจะไม่เอามือค้ำกายเวลาไปในบ้านแล้๋ว่านั่งในบ้านเคื่อนั่งเท้าแขนไม่ค้ำแบบไม่ค้ำนั่งเท้าแขนอย่าทำ ถ้าเพื่ออะไรก็ช่งในเมื่อพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปพิจารณาท่านว่าอะไรไม่ดีก็ถอนตัวทันทีไม่ทำแบบนั้นข้อยี่สิบสามก็ยี่สบสี่เราจากไม่อภาคกรลมทิศเวลาที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านในข้อนี้พุทธญาตจะบอกว่าเว้นไว้แต่ฝนตกถ้าฝนมันตกพยากันได้นิดหน่อยก็ควรจะทำน่าจะให้อภยัย แต่ว่าในทีข่ขาบทนี้ท่านจากัดไว้สั้นเต็มที mm hmm. ก็ไปอันว่าอยากคุมมันเลยดีกว่าถ้าระยะภาคคุมทิศมันก็เปียกก็เลยไม่คุมมันซะเลยเวลาไปในบ้านนี่อยู่ในบ้านอันนี้ข้อที่ยี่ริภาณีมาเดียวเมื่อกีอ้เป็นรวบๆเราจะไม่เดินกระย่งเท้าเข้าไปในบ้านก็อพารู้กันแล้วใช่ไหมโดนาปลายเท้าลงแบบกระยองกระยองเขาเวลาเข้าไปในบ้าน ก็อที่ยี่สีบหกเป็นข้อสุดท้ายเราจะไม่นั่งร้าเขา่าคือ น, นั่งกอดเขา่าในบ้านอย่าทำนะทั้งหมดนี้ไม่ดีทท้งนั้นผมไม่อธิบายอะไรส่ของธรรมดาธรรมดานีนมาอีกวัคหนึ่งเป็นวัคติสองของเสขิยวัตวักนีเรว่าโพชนาปฏิสังยุตต์มีสามสิทสิขาบท ทีกค้าบทที่หนึ่งท่านบอกว่าจงทําการศึกษาว่าเราจะรับวินัย บ, บาตรด้วยความเคารพเคารพได้ตอนไหนและเคารพในพระธรรมวินในไมายความว่าเราจะเป็นผู้สงบสงี่ยมเวลาวินัย บ, บาตะเราขอเขาด้วยอาการหลุดสนิภาพเวลาไปจะเป็นร้อนแต่กวนบอกนี่พระมาวินั บ, บาติแล้วจ้าอันนี้ไม่ได้แลว้วเวลาเย็นวินรับวินัย บ, บาติก็ย็นรับวินัยบาตรโดยก า, ารสํารวม ทำตาต่ำทาตาตกอยู่เสมออย่าไป น, นั่งวัดว่าเอ้นี่ใครเขาจะใส่อะไรบ้างคนใส่บาตรมีกี่ ค, คนสวยหรือไม่สวยนี่้วยพูดเรืงการใส่บาตรนี่ผมก็อยาขอพูดถึงจริยาทิ่พระที่ก่อนจะใส่จะไปบิสมาตเวลาเช้ามืดพระทันตีะระฆังมาสมัยปัจจุบันให้พระสวดมนต์ไหว้พระ แต่ความจริงในสมัยพระพุทธเจ้าหรือว่าก่อนหน้านี้ไปเวลาตีแรกครัง้งในพระเราเข้าฌานสมาบัติหรือว่าถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็เข้าพละสมาบัติทําจิตให้สงบสงัดจากกิเลสทําจิตให้บริสุทธิ์เวลาไปบินาบัติเม่จิตใจของเราบริสุทธิ์เถําว่าเป็นฌานโลคีก็ระงับนิวรห้าถ้าเป็นพระอริยเจ้ า, า, า, า, า, าก็ระงับสังโยคตามที่ตนตัดได้ ตั้งแต่พระโสดาสีทาคานาค า, า, ารหันเมื่อเราเข้าสมาบัตดแล้วไปเป็นบัดท่านที่ใส่บัรมีบุญมากกว่ากว่ายามปกติกว่าพระที่มีจิตสุขปรกถ้าได้ชานโลกีเข้าชาันโลกีเต็มที่เวลาก่อนจะไปแล้วก็ทรงชันหนึ่งชั้นสองชันสามก็ได้ตามมาัธยญาไสา่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็ทรงคุณตามสงควรความจริงพระอริยเจ้านี่ไม่ต้องไปห่วงท่าน ท่านครอบครัวของ่าอยู่ตลอดเวลานี่เวลาที่จะบ้านเขาใส่บายก็ะเมรนี่สูงสูงคนปัจจุ บ, บันก็คือชาวบ้านไม่ค่อยจะฝุดเพลิงในเรื่องความเป็นอยู่เพราะความดีเข้าถึงมากนี่ถ้าหากว่าเวลาตอนเช้าเราไม่ได้ทาวัดสวดมนต์นอนมือกายน้ำผักไม่ถึงลูกสาวบ้านใครมันสวยมั่งหว่า ใบบันนลลูกสาวก็สวยหน้าเขาเจี๊ยเป็นขนมเปี๊ยะที่เขายังไม่ได้เนื่องใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้วันนี้สวดส่งดีนั่นลูกเศรษฐีน่ารักดักทรัพย์สมบัติของเขาแล้วไปทางไหนจะได้ข้าวกินมากอย่างนี้จิตมันเป็นบาปเวลาไปบินาบายก็แสดงว่าไม่เคารพแล้วไม่เคารพในวัฒธรรมวินยัย เวลารับบาตจิตไม่ก็อยากแหมคนรักมาแล้วเปล่าเนะี่คนสวยเนะนี่ยหรืว่าอาหารที่เราต้องการเขาใส่บาตรแล้วเปลา่านี่ความโลภความรักคือกิเลสในเกิดขึ้นในใจถ้ารับบาตรบายนเขาไปกินลงนรกทันทีอย่าลืมนะนี่ทุกกดก็งลงนรกได้เหมือนกันตอนนี้ถ้าว่าเวลาที่เราไปบินบาตรเราดังยังไม่ได้ชานสมาบัติ เวลาเดินไปภาวนาไปเลยพุโทโธไม่ต้องฟังเสียงใครไม่ต้องคุยกับใครอย่าไปคุยกันระหว่างพิจ า, ารณาภาวนาพุโทโธพุโทโธเดื่ยไปยิ้ยวิจิปิโสข ก, กว่านึกถึงความดีพระพุทธธรรมประสงค์ก็ได้ตามใจอย่าทิ้งบทภาวนาหรือว่าถ้าเราเป็นนักวิปัสสนาจะใข่ควยกันห้ากว่าไปไว่าไอเดินพันนี้ก็เดินไปเดินมาอย่างเราดิน้นพิจารณาแบบนี้ตายมานับไปถั้งหแล้ว เราจะมานั่งมัวเมาในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็อย่างมีคนต้องทําแบบนี้นะอย่าเดินส่งเดชบินลำบากสรงเดชไปหาข้าวกินไปแล้วก็ใส่อะไรมาก็พอใจในเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องกินเรื่องอยู่นี่ขอพูดถึงข้าวา่าที่อยู่ในวัดด้วยนะอย่าทําเป็นคนอยากทามันมากเกินไป อยาใช้เล่เหี่ยมอยาใช้ลีลาอยากกินอะไรขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพระอยากฉันนี่ถ้าพระถ้าไม่อยากฉันถ้าเราไปอยากกินล้วก็ทำกันเองนี่แหละระวังของสองลงเวจีมหานรกสำหรับพระก็เหมือนกันอยากทำตนเป็นคนอยากนะแล้วบทพระตักอยากทำตนเป็นคนเลียงง่ายพระผู้ไดเจ้านะ่ะนางบุญทาสีอัปเป็นจี คือเอาข้าวกับรมผสมคัญทำาให้แป้งจี๋หอยห่อช้พพกมาเมื่อถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ฉันกามจีงอาหารบ้านเศรษฐีในวังพระมหาการสัตว์เขาจัดไว้ดีดีโอสมเด็จพระจินาสีไม่ไปตัง้งใจจะโปรดนางบุญธาสีเพียงเท่านี้ท่านก็ฉันนี่เราเป็นสาวกของคสมเด็จพระจินาวจินบาลก็ต้องปฏิบัติตามท่าน นี่ขอ้อที่สองเมื่อสู่รับบาตรเราจัดแลดูแต่ในบาตรให้จำไวน้นะจ้องอยู่แต่ในบาตรใจเขาภาวนาไปตามสบายใส่ให้จิตเป็นผู้ชนขอ้อที่สามเราจัดรับแกงพอสมควรแก่เขาสุขนี่หมายถึงว่าเวลาไปเป็นธับาทรัาชาย์ใบเขามีแกงมากๆแล้วอขอให้มากๆหน่อยขอมากๆหน่อย ให้พอสมควรแก่เข้าสุขเอาอย่างนี้ดีกว่าตามใจที่จะบ้งเขาจะให้เราเท่าไหรอย่าขอให้มากไปอย่าขอให้น้อยไปอย่าขอเลยเฉยๆให้เท่าไรเอาเท่านั้นเรื่องรับแกงพอสกคนถ้าเข า, ายาใส่มากเกินไปแนละ้วก็บอกว่าพอแล้วโยมถวายพ้าท่านอื่นท่านบากเถอดด้วยมัน ญ, ญาติแบบนี้เราจะได้กินมากแทนที่จะได้กินน้อยจะมีความมีอยู่สบายพอใจสงบสงัดใจความโลภ นี่มาข้อที่สี่เราจะรับบินาบาทแต่พอเสมอปากขอบบาทเท่านั้นนี่เวลารับบาทะอย่าให้มันเลยขอบบาทเอาแค่ขอบบาทพอตอนนี้เวลาจํากัดมีเวลาก็ใส่บาทเทโวมีงานเทศการเวลามันจะเลยขอบบาทก็มาก็ให้เขาพระชนะมาเทถ่ายลงไปนี่ไม่ใช่เราโลภเพราะคนขนา้ขนขนางหน้าเขายังมีอยู่เขาจะต้องใส่บาทใหม่ ไอ้ที่นี้ก็หมายความพระพุทธเจ้าคงมีความหมายว่าอย้าให้ข้าวมาตกอยู่ในฐานสถานที่นั้นถ้าถ้าข้าวตกลงเกลื่กลาดแล้วก็ศรัทธาเขามัรดาท่านพุทธบริษัทจะเสื่อมคลายเหากว่าแล้วเราจะเห็นว่าหายเขาไม่มีความหมายนี่ใจมันก็จะเกิดเป็นบาปเมื่อเขาเป็นบาปแล้วมันก็เป็นโทษกับเขาเราก็พลอมีโทษเพราะเราเป็นต้นเหตุนีองค์สมเด็จพระบรมโลกคือเชตินได้แนะนําในข้อนี้เข้าไว้ แต่ในมาสิกขาบทที่ห้าเราจักฉันบิดาบาตโดยเคารพใ้การฉันบิ็นาบาตนี้ก่อนจะฉันขอแนะนำว่าต้องพิจรารณาเปนะ็นอาหาเรปฏิโกสัญญานี่มีอยู่ในแบบปฏิบัติเพื่อกรมฐถานแล้วถ้าเราไม่พิจารณาก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าตกนรกเรากลื่งคำเข้าก็ไปถ้าบอกกลืนก้อนเหล็กแดงดีกว่า ก็เหล็กแดงิ้งคอคอปากปากพังถึงคอคอพังถึงท้องท้องพังตายพมือตายแล้วมันก็เลือกร้อนถ้าว่าเราไม่ไ ม, ไม่ฉันไม่แตบาตรโดยเคารพกฎหมายความวาเราตะกลุมตะกรามในการกินและก็ไม่พิจารณาไปหาเลเปดีโก้กสัญญาถือรสอร่อยเป็นสําคัญอย่างนี้ลงนรกลงแน่นอนเลย นั่นนี้ไม่ข้ อ, อก็หกเมื่อฉันไม่นบาดเราจากแลดูแต่ในบาดหมายความแลดูตั้งตาสํารวมอยู่ไม่มองซ้ายไม่มองขวาไม่มองหน้าไม่มองหลังเป็นกิริยาที่ไม่สมควรไม่น่าเอื้อมส ไ, ไม่น่าไหวไม่น่าบูชานี่ข้อที่เจ็ดเราจะไม่กุดข้าวสุขให้แหว่งหมายความว่าเวลาฉันปากให้ ม, ม, ม, มันเสมอๆระดูงาม พุโธ ล, ลึกลงไปมันน่าเกลียดบาทีเขาเห็นว่าเราคงจะควานหาอะไรพระองค์นี่ตะกล้ามากเกินไปแล้วมั้งความหาของข้างล่างนี่พอดีแปดเราจะแข็แกงพอสมควรกับ ข, ข้าวสุกนี่ตามพระวินัยแต่บอกว่าเราจะแข็งกับข้าวเนี่ยแกงก็กับสี่ในหนึ่งของข้าวท่านให้ไว้เท่านี้เองนะไม่ใช่ว่าจริงแกงจริงกลับมากกว่าข้าว ถา้าพอสมควรไอ้แกงนี่เป็นของชูรถทำไมรถเกิดขึ้นแต่ว่าจะเมาในรถพอสมควรยกเข้าสุขนี่เคยเห็นพระ บ, บางองค์ตะปุมตะปามอมือตะครุบมโหคำบาบลือขออ า, าหารชิ้นเบลือเดยวยังมีเดียมือห้านิ้วลมดีควานอันี่เวลานี้เขาฉันก็นได้ช้อนแล้วอย่าไปใช้นะแบบรุ่มรามแบบนี้นะ่ะ ถ้าเราทนไม่ไหวก็สึกไปเฉอเลยจะมาอยู่กับเขาในย้ายเห็นนะแต่เองก็จะเชิญสึกทันทีจ้ะไอ้แบบนี้ไม่ชอบรือว่าจกขันกับกันแจงพอสมควรแล้วก็ดูหน้าดูหลังแล้วไอ้เรากินข้าวไปแล้วลูกสิทุท์กหาคนข้างหลังมันมีไหมแต่ควรจะแบ่งจะไปการตาการตามสมควรก็อยากไาคนข้างหลังบาง้งบางให้มีเมตตาชิต แม่ตะกระไม่ได้ดูใครนี่บางทีก็มีแกงดีๆมาไว้ไกลๆตักออืมีเนื้อปลามีเนื้อกินเสรหมดเอาผักแวะคนอื่นนี่ในสรสนักของเรามีไว้เคยมีนะผมรู้เคยมีถอนตัวเสีนะถ้าไม่ถอนตัวแล้วก็เวลานี้พระเขา ม, ามากแล้วจะเป็นจะเป็นตัวอย่างที่เลวทามก็จะข อ, อนิมนต์กลับ ได้ขืนปฏิบัติไปแล้วขอนิมนต์กลับนะอย่ามาทําตัวเลวทรามเป็นตัวอย่างกับบุคคลที่มาใหม่ต้องปฏิบัติพระวินัยให้ดีบวชเข้ามาตั้งหลายปีแล้วบอกไม่รู้วินัยนี่มันเลวเต็มทีบวชจะเข้ามายังไงบวชเข้ามาเพื่ออะไรกันนี่ข้อที่เก้าเราจะไม่ขยุ่มเข้าสุขแต่ยอดลงไป นี่เวลาที่ฉันข้าวเนี่ยจะก็ยุ่มให้มันสูงยอดลงไปปาดไปใชให้เปรียบกินให้สเสมอเสมอกันแหละดูงามข้อดีสิทิเราเองจะไม่กรบแกงและกลับด้วยเขาสุกเพราะอยากจะได้มากๆ <c oughs> นี่เข้าตำล้อ น, นี้ว่าแกงอะไรดีๆนั้นลากมาไว้ไใกล้เราคนอื่น่าหยิบถึงไม่ถึงก็ช่างมันนฉันจะกินคนเดียว นี่ตัวอย่างที่เลวมันเป็นอย่างนี้มันไม่อยู่แล้วในสำนักของเรานี่ก็เคยมีเคยมีมาก่อนเพราะว่านั่งๆดูมันก็จะถอนตัวมันก็เคยพูดผัดผ่านไปแต่ไม่ค่อยจะรู้ตัวเวลานี้เลิกแล้วหรือยังอย่าตะกละ้าตะกลามเกินไปสิมันมีแต่เพียงว่าถ้าเสียงไหนถ้าเพื่อนเราต้องการหยิบไปถึงขยับลงไปให้เพื่อนหยิบถึง นี่ส่งครอกันแบบนี้จะเป็นคนละโมบลูกมาในการกินกินแบบนี้แย่งกินมันกินแบบสุนัขสุนัขมันไม่มีการเคารพกันไม่มีการแบ่งกันนี่อะไรก็แย่งกันบางทีของอยู่ในปากเขาก็ยังแย่งออกมานี่พระทำแบบนี้ก็ไม่จะทําแบบพระทำแบบสุนัขใจเป็นสุนัขกันแล้วเนี่ยนี่มันเลวขนาดสติไรฉานคือสุนัขอย่าทํำนะถ้าทําแล้วเป็นโทษหนัก โทษสมปรายาพบก็มีพระที่เสี่ยงที่พระพุทธเจ้าห้ามเนี่ยมันลงนรกเท่านั้นทล่ฝ่าฝืนแต่ข้อนี้ถ้ารู้อยู่ทําอยู่แล้วก็ก็โทษปัจจุบันมันก็มีผมขับออกจากสํานักเอาไว้ด้วยไม่ได้ตัวเร็เวๆนี่ไม่เอาต้เาเวเร็วคนเดียวอ่ะแต่มันสร้างความเร็วตลอดไปถวว้าเราไหวก็เหมือนกันนะที่อยู่ในสํานักนี่แต่ทําทอะไรไหวก็ไหวไม่ไหวก็กลับบ้านไป หรืว่าพระเขาทำกันได้ไม่เป็นไรแตมันนั่งบนเป็นเจ้าเป็นนายพระยังก็ใช้ไม่ได้ไอ้ย่างกินก็ไม่กันของเขาไปดําบาตรมาแล้วต้ให้พระได้ฉันพระไมา่ได้ฉันก็อย่าไปไปหมกเก็บเขาไว้เอวังใน่เลิกกันให้เด็กๆที่อยู่ภายในเขากันกินก็กินเส ม, มอการใจคนนั้นอยากอย่างนี้คนนี้อยากอย่างนั้นไอ้คำไม่อยากตัดทิ้งไ ป, ไปอย่าไปตามใจไม่ได้ ได้พระเองนั้นหามาได้ยังไงท่านยังกินอย่างนั้นนี่เราเป็นขี้ข่าของพระมากินของของพระเน่ยยังจะมานั่งอยากโน่น อ, อยากนี่เนี่ยหมายความว่าพระถ้าไปหาไม่ให้กินแต่พระจะต้องกินตามของที่มีอยู่แต่เราเองกลับไม่พอใจปรุงใหม่ให้ใหมันดีขึ้นไปกว่านั้นอย่างนี้มันใช้อะไรไม่ได้เลยไอ้ของที่ปรุงใหม่เนี่ยพระธำไมาได้ฉันด้วยนะระวังเป็นของสง ถ้าทําใจยับยั้งไม่คู่ควอยู่กับพระอยู่ด้วยกันกับพระไม่ได้ยับยั้งไม่ได้กลับบ้านเจะต้องให้ไล่กันเลยกลับไปเถอะไม่มีใครเขไม่มีใครเข้าไปแกล้งให้ใหม่จ้ะนี่ทําตัวสมควรกับฐานนะไอ้เสียงสอนก็บเป็นกันที่พูดกันภายในเนี่ยให้มันอยู่ในเกณฑ์สงบระงับไม่ใช่บัตบแบ่งกงงรารสยองทำฟ้าลาคัน นี่เป็นชาวบ้านไอ้ชาวบ้านที่มาอยู่ในวัดบางคนก็คิดว่าแหมโตกับพระนี่ฉันทํากับข้าวที่แกกะทําไม่นอนทำไม่นี่เผื่อพระพระต้องอาศัยฉันถ้าคิดอย่างนั้นเรรีบกลับบ้านไปแพ้ก็ทําทกันได้ไปเรื่องอย่างนี้ไม่เคยใช้แม่ครัวมาก่อนเลยการก่อนทำเองกันทั้งนั้นพระอยู่กันตั้งห้าสิบหกสิบตั้งร้อยนี่พระทําครัวกันเป็นเมื่อทาไม่เป็นก็อยากกิน ราเรกว่าต้องทำตนเป็นคนเลี้ย ง, ง่ายตนช่วยตัวเองได้ทุกอย่างถ้าเป็นคุณนางแล้วก็จะมาโบชอยู่ในสานักนี้ดูตัวอย่างพระที่ดีเวลานี้ก็มีหลายองค์ดูตัวอย่างเขาก็าไม่นั่งนิ่งดูได้หรือว่างานหลวงไม่ขายงานลากไม่เสียงานส่วนรวมเราต้องทำไม่ใช่จะไปนั่งเอาเปรียบชาวบ้านชาวเมืองครับนี่ข้อดีเด็ดเราไม่เจ็บไข้เราจะไม่ขอแกงเลยเข้าสุข โอ้ปยชแก่แก่ตนมาฉันทั้งนี้หมายเริขอคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรบารณาถ้าเป็นญาติเป็นปรบรณานี่ขอหน้าตลอดเวลาถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรบารณาถ้าเราเจ็บไข้ามาสบายความจําเป็นเกิดขึ้นบ่งว่ายมขอข้าวสักถ้วยกับข้าวจะเป็นอะไรก็ได้อย่าไปจี้นะเขาจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อย่างนั้น แเราจะบอกเขาได้บอกเวลานี้ฉันป่วยนะักเผ็ดจัดมันก็ไม่ไว้เค็มจัดมันก็ไม่ไหวอาหาร อ, อ่อนๆก็แล้วกันอะไรก็ได้แต่ว่าเท่าที่มีไม่ต้องไปหาไม่เชื่อมาหาหมามีแค่ไหนทําให้แค่นั้นพอประทางชีวิตนี่ต้องขอเ้าแบบนี้นะจะไม่ขอจีขอ้ของข้อทีสองเราจักไม่ดูบ่ายของผู้อื่นด้วยจิตคิดจะยกโทษนม่จิตคิดจะยกโทษมันเร็วเกินไป รือมีใจปราศามมองโทษของบุคคนอื่นนนี้เป็นปักกิเลตวันถ้าจิตคิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็เสร็จเลยไม่ต้องห่วงจริญมาคกามาฐานแขนไหนก็ไม่ได้ไปดูในอุทุมพิการสูตรข้อ <c oughs> ที่สามเราเร า, เราจะไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่โตนะเออกินข้าวเนี่ยตักมาพอสมควรองควรย้ายมันใหญ่มันโตเกินไปใหญ่โตเกินไปก็ังหาตกระ ไอ้มุมมามเกินไปไม่จะพระอีกสิเป็นสุนักอีกแล้วไม่สุ น, นัข ก, ก็หมูแหละหมูและสุ น, นัข ก, ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันเอาเรียกหมา ก, ก็หมูดี ก, กว่าฟังชัดอย่าทำนะที่นี่ไม่ต้องการหมาไม่ต้องการหมูหมาอยู่ส่วนหมาหมูอยู่ส่วนหมูพระอยู่ส่วนพระอย่าเอาหมาและหมูมาปนกับพระไม่ชอบในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ชอบผมก็ต้องไม่ชอบตามพระพุทธเจ้า ใครฝ่าฝืนบทบัญญัติพระพุทธเจ้าลงนิกากรรมอุเข็บนิยกรรมขับออกจากหมู่ปรับภายนิยกรรมของขับออกไปเลยปรับภายนิยกรรมลงโทษนี่ผมก็ต้องทาตามนั้นเหมือนกันนี่จําไม่ดีนะทั้งพระทั้งครวญว่าแต่นะจําไม่ดีนะปฏิบัติให้มันเหมือนกันเถอะเรียนโดยมันยาเครวญวปฏิบัติได้ตามนี้ต้องปฏิบัติ ด, ด้วย ต้ถือว่าจำจะต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติด้วยอยู่ด้วยกันไม่ได้มันต้องกินเหมือนกันสิไม่ใช่เลือกกับข้าวอยากจะนู้นอยากอย่างนี้นออนไอเด็กคนนั้นชอบอย่างนั้นไอเด็กคนนี้ชอบอย่างนี้พาทีเด็กคนนี้ชอบอย่างนั้นแต่เด็กคนอื่นไม่ได้กินเได้กินเฉพาะเด็กบางบางพวกอย่างนี้ทําตัวลงนรกไปอยู่ทําไมในวัดวัดนี้ไม่ต้องกางคนเลยประเภทนี้ อันนี้ข้อดิสสีเราจัดทาคํำข้าให้ตรมกล่อมไม้ควายจะให้มันรุ่มร่ามรุมร่ามหลกโถกเกลียราชื่อทําให้พอมอบพดีกับปากข้อที่ข้าข้อดิสสีพลาเมื่อคํำข้าวยังไม่ถึงปากไม่อ้าตั้งท่าคอยรับเขาไว้นี่ไอ้แบบนี้ไม่ดีเไม่กันอ้าปากรับไปก่อนนี่ไม่ดีเห็นนิ่งไก่เลยนี่เป็นโทษทั้งนั้นน่ะ ข้อที่สิบหเมื่อฉันอยู่เราจักไม่เนิ้วมือสอดเข้าปากนี่ท่านที่นั่งอยู่ด้วยท่านอย่ารังเกียจเพราะมันสกปรกจริงๆแลยดันเอานิมือนิ้วมือสอดเข้าไปในปากนามันน่าเกลียดนี่ข้อที่สิบเจ็ดเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่ปวดนี่จำให้ดีนะเวลาเข้าเข้าในปากง่วงง่วงง่วงง่ว ง, งอันนี้ใช่ไม่ได้ ข้อที่ดีแปดเราจะไม่โยนคําข้าวเข้าปากอินี่ไม่เป็นเรื่องแล้วทํามันเด็กไม่เด็้ความใครเขาจะไหวเขาจะบูชาข้อที่ดีเก้าเราจะไม่ฉันกัดคําข้าวคือใส่พระกัดทีนนิดทีนนิดอย่านะข้อยี่สิบเราจะไม่ฉันทาํากระพุ้มแก้มให้ตุยนี่แสดงว่าใส่มากเกินไปและยัดเขม่ามากเกินไป แก้มตยุยอันนี้เคยเห็นเมื่อตอนเด็กๆเ ม, มื่อตอนหนุ่มๆเคยเห็นพระทําทแบบนี้แต่โดยนหลวพ่อไปขนาดสนักเลยหาว่าเรวก็หมูก็่หมากว่าหมากมาิงแก้มยังไม่ตุยเลยทำไมอย่างนั้นยี่สิเอ็ดเราจะไม่ฉันพรางสะบัดมือพลางอันนี้มันเร็วเต็มทีแต่เขาไหวเขายังไม่ทํา ยี่ดิศสองเราจากไม่ฉันโปรยเมล็ก ข, ข้าวให้ตกในบาดหรือว่าในสถานที่นั้นนี่สนแสดงว่าทาจิตใจของชาวบ้านให้ไม่สบายเพราะเห็นว่าของเขาไม่มีค่าอารบันดาเพื่อนสาทมนี้ทั้งหลายเวลานี่สัญญาณบอกหมดเวลาสี่สิบนาทีปรากฏแล้ว